บบดสีสะจรถมือครับผู้ใหญ่นี่เอยขอจงฟังคำเมื่อไนจ ะ, ะเฉลยให้หนเข้าใจถ้าเตรียมภาเพียบมือประสานกันไว้มือที่ประสานนั้น